เม่จะจะช่วยคุณโกโก้ชี้นิดนึงค่ะเอ่อจริงๆอยู่ในเข้าใจคุณโกโก้นะคุณโกโก้เอ่อเหมือนกับว่าคุณโกโก้เข้าใจแล้วแหะว่าอย่างเช่นการที่เราอยู่ในขณะปัจจุบันขณะทุกขณะนะคะเวลาเราอาจจะลงไปบ้างอะไรว่าก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ดึงสติกลับมากับปัจจุบันแต่ทีเนี้ยบางครั้งเนี่ยในในความที่เราดึงสติหรือว่าเราเห็นอะไรเนี่ยคะ่ะ คุณก็ใคยสงสัยไหมคะว่าแล้วทําไมเราถึงรู้ว่าเราเราต้องดึงสติกลับมาที่ดึงสติกลับมาก็เพื่ออยู่กับปัจจุบนนันเองครับอ๋อแล้ ว, แ ล, วแล้วใครไปเห็นนะคะว่าเราต้องดึงสติกลับมาก็มันรู้สึกตัวคือคือจะเห็นไม่งู้เนะแต่ว่าผมผมจะรู้สึกแต่ว่าไอเนี้ยหลงอ่าอยู่อยู่ไปนู่นไปนี่แหละเราก็ดึงตัวเองกลับมา ในแง่ในในในแง่คือคือในแง่ของของอยู่ก่อปัจจุบันนีงครับก็สติก็อยู่ปัจจุบันแต่ว่าแต่สิ่งที่อในร่างกายของผมรู้สึกเสมอเลยว่ามันไม่ใช่ของเราอันเดินการอะไรเนี่ยผมผมก็แค่แค่รู้สึกว่าเออถ้ามันถ้ามันของเราเนี่ยมันก็ต้องห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามรุนห้ามนี่ใช่ไหมร่างกาย<ช>เราครับ มีเหตุและผลที่ดีมากๆเลยค่ะโกโก้ทีนี้ค่ะแล้วซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะเราไปห้ามมันไม่ได้เช่นผมเราจะงอเราก็ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมค่ะแล้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยหนูอยากจะเรียนถามอย่างนี้ค่ะคือโกโก้เนี่ยปฏิบัติดีมาแล้วค่ะอีกนิดนึงก็คืออย่างที่หลวงพ่อให้การบ้านไปตรงเนี้ยนะคะจริงๆการบ้านมันมันแค่แค่เหมือนแค่ดีดนิวเองค่ะนะคะนิดนึง เออคุณโก้ลองลองเอะจะยกตัวอย่างยังไงดีคือต้องบ อ, อกว่าอย่างนี้ค่ะการที่เราการมีอยู่ของความทุกข์เดี่ยวมื่กี้คุณโก้พูดว่าความทุกข์เนี่ยมันมาจากคิดใช่ไหมคะเมื่อกี้ท่านหรือยิ่งจำไม่ผิดเมื่อกี้ได้ยินคํานี้อ่าใช่ใช่ครับอําทำไมคุณโ ก, ก, ก้ถึ ง, ถ, งถึงทราบแบบนั้นนะคะก็ผมคิดมาทั้งชีวิตอล้แล้วผมจะไม่คือยังไง ถ้าสมมติว่าหน่ตอนนี้คุณโกโก้โดนไม้ฟาดศีรษะไปเนี่ยคุณโกโก้รู้สึกเจ็บไหมคะรู้สึกเจ็บครับรู้สึกเจ็บต้องทุกข์ใช่ไหมคะแล้วคุณโกโก้ต้องคิดไหมคะเออถ้าฟาดใช่ไหมก็ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรก็กกนั่นน่ะสิ<บ>ค่ะเพราะฉะนั้นเจ็บหรือทุกข์เนี่ยบางทีเนี่ยไอความทุกข์ที่เรารู้สึกทุกข์เนี่ยเพราะมันเป็นความรู้สึกที่นํามาคิด แต่ถ้าทุกทางกายหรือทุกนาตอนนั้นเลยอ่ะมันคิดไม่ทันนะคะจริงไหมคะมันไม่ต้องคิดมันก็เจ็บได้อืมครับอ่าซึ่งมันเป็นมันเป็นธรรมชาติค่ะนะคะอย่างเราถูกมดกัดเราก็เจ็บเลยไม่ต้องคิดโอ๊ะมดกัดนะฉันถึงค่อยเจ็บอืมเหมือน <laughs> มันไม่ใช่ล ะ, ค, ะ, ะ, ะ, ะค่ะอ่างตรงเนี้ยค่ะเพื่อนๆลองไปสังเกตนะคะแล้วก็ต้องบอกว่างี้ค่ะ การมีของความทุกข์เนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงการมีอยู่ของความพ้นทุกข์ด้วยอนะคะแอ้วในญาทั้งหมดก็ก็ไม่มีอะไรค่ะ ท, ที่คุณโกโก้ก็เข้าใจทีนี้ก็ลองเอาเอาตรงเนี้ยให้สังเกตค่ะถึงถึงอะไรก็ตามที่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งนะในสิ่งที่คุณโกโกท้กที่หนูไมบอกแค่มดกัดมันไม่ต้องคิดอ่ะแล้วทราบได้ยังไงนะมือ่าจจะตอบว่าอ๋อมันคือความรู้สึก ใช่ไหคะอะมันคือความรู้สึกตอนนั้นหรือว่ามันคือก็มันกายเราเราก็รู้สึกสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเห็นี้ยไอ้ตรงความรู้สึกเนี่ยใครไปรู้สึกใครไปรู้สึกก็ก็ก็ก็ตัวคือตัวผมรู้สึกไงแต่ผมไม่ได้เป็นผู้เป็นเใช่ไหมเท้าใจครับผมผมไมได้เข้าก็เป็นผู้เป็นผมไม่ผมไม่ได้เข้าเป็นผู้เป็นไม่ได้เข้าเป็น คือไม่ได้เป็นว่าไอ้ตัวเราอ่ะแต่แต่เราเราโอเครู้ไอ้ร่างเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติสักวันก็ต้องคืนไปถูกไหมมันอันนั้นเป็นเป็นเหตุและผลซึ่งเข้าใจได้เป็นตามลําดับถูกต้องค่ะที่คุณโกโกพูดไปถูกต้องหมดอันนี้อันนี้ยผมผมอย่างนั้นแล้วไอ้ที่มันกักเนี่ยมันก็เจ็บเนี่ยเท่าที่มันเจ็บไงผมไม่ได้บอกว่าถ้าผมถุงเจ็บเอ้ใจมันเจ็บไปด้วยมันก็ทําให้ผ อ๋อันนั้นมันแยกกันค่ะทุกอย่างมันแยกกันอยู่แล้วค่ะแต่ที่ที่หลวงพ่อท่านท่านชี้เนี่ยท่านท่านหมายถึงตัวรู้ที่รู้ได้อย่างไรว่ามันเจ็บมันรู้เราได้ยังไงเอาก็มันกัดไงมัน เ, เจ็บไงรู้ อ, อ, อะไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทนี้จะยกตัวอย่างเรื่องเรื่องนกดีกว่าดีไหมคะหลวงพ่ อ, อ น, นกน่าจะดีไหมคะเคยได้ยินไหมคะคุณโกโก้ไม่เคยเลยครับสั่งูด เดี๋ยวหนูจะเล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะก็มีอวัดอยู่วัดหนึ่งนะคะเป็นเป็นวัดซึ่งน่าจะมีการปฏิบัติทางด้านเกี่ยวกับเซนนะคะก็วัดเนี้ยก็มี อ, อาจารย์ที่โด่งดังนะคะในการที่จะสอนเซนเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาต้องการมาเรียงก็มีลูกศิษย์อยู่สองคนนะคะต้องการที่จะมาเป็นลูกศิษย์นะคะอาจารย์ก็เลยสั่งว่าเอาอย่างนี้ อาจารย์เนี่ยจะให้นกไปคนละหนึ่งตัวนะคะไปทำยังไงก็ได้นะคะให้ผ้านกโดยที่ไม่มีใครเนี่ยเห็นนะคะทำยังไงก็ได้นะคะก็แจกนกไปคนละตัวนะคะนายเอก็เอาไปตัวหนึ่งนายบีก็ไปตัวหนึ่งนะคะนายเอก็วันรุ่งขึ้นปุ๊บอ่ะเตรียมนกเลยค่ะนะค ะ, นะคะเข้าไปในป่าก็มองซ้ายมองขวานะคะว่า ไม่มีใครละปลอดคนแล้วนะคะนาเอก็จัดการฆ่านกน ะ, ะแล้วก็เอาซากนกเนี่ยกลับมาให้อาจารย์นะคะต่อมาอีกคนนึงคือนายบีนะคะนายบีก็เอานกเข้าไปในป่าเหมือนกันนะคะแล้วตอนที่กำลังจะบีบคอนกจะฆ่านกแล้วน ะ, ะอาจารย์พูดว่าอย่าให้ใครเห็ น, นะคะ แต่ว่านายบีค่ะบังเอิญค่ะพังอ่ะขึ้นมานะคะอย่าว่าแต่พังอ่ะอย่างเดียวเลยนะคะตกใจด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่านายบีเนี่ยเห็นตัวเองค่ะกําลังจะค่านก <c oughs> ไม่มีคนอื่นเห็นนะะแต่ว่าตัวเองเห็นน ะ, ะ <c oughs> แต่ด้วยเสริมอีกอันหนึ่งะค่ะเสริมอีกอันนึ่น ะ, ะนอกจากตัวเองเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเองน ะ, ะนกก็เห็นน่ะ เขาก็เลยข้ามไม่ได้ค่ะเขาก็เลยปรับไปบอกอาจารย์ค่ะว่าเขาข้ามไม่ได้เพราะว่ามีทั้งมีคนเห็นนะหลวงพ่อเสริมไหมคะก็ประมาณนั้นแหละแต่ทีนี้โยมโกโก้พอเห็นภาพไหมเห็นภาพก็คือว่าตัวเราเนี่ยทั้งตัวเลยที่เป็นผู้ฆ่านกเนี่ยมันถูกเห็นไปเสร็จแล้ว คือตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นแสดงว่ามันมีธรรมชาติซึ่งพ้นไปจากตัวเราเนี่ยมีอยู่ธรรมชาตินั้นน่ยคือธรรมชาติที่เห็นเราธรรมชาติที่เห็นเราเนี่ยมันเข้าใจด้วยปัญญาเลยว่ามันไม่ใช่เราเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งจะรู้จักเมื่อเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยธรรมชาติอันนั้นเน่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแต่ได้แต่เห็นตัวเราก็เลยเป็นสิ่งถูกเห็นไปจะเดินจะนั่งจะคานกจะทํำยังไงมันเห็นเราหมดเลย ตรงนี้เองที่หลวงพ่อถึงว่าให้ลองไปทําการบ้านดูนะว่าเออมันเป็นยังไงเพราะว่าที่โยมพูดเนี่ยมันมีถูกมีส่วนถูกอยู่แล้วแต่ว่ามันขาดความชัดเจนเท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ทีนี้ถ้าโยมลองที่นาดูที่ว่าเวลาทุกข์เนี่ยทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่าทุกข์ที่มันเป็นอนิจจังคือสังขารเป็นทุกข์กันนะมันไม่ใช่ว่าเป็นสุขไม่ใช่ทุกข์คือมันรวมหมดทั้งสุขทั้งทุกข์คือเป็นทุกข์หมดเพราะเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก ดังนั้นตัวเราทั้งตัวนี่แหละเขาเรียกว่าตัวทุกตัวเราทั้งตัวตัวทุกไอตัวที่ฆ่านกเนี่ยในบีเนี่ยที่ไอตัวเนี่ยทั้งตัวเลยนะเป็นตัวทุกข์หมดเลยแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มาเห็นตัวทุกธรรมชาติที่เห็นตัวทุกเนยอมพอมองออกแล้วอย่างว่ามันเป็นทุกหรือมันเป็นสุขหรือมันเป็นยังไงอก็ก็ก็เห็นเห็น ก็เห็นความเป็นทุกข์กัผมอ่าแล้วเข้าใจได้ใช่ไหมว่าไอ้ธรรมชาติที่เห็นเราอะ่ะมันเป็นเราไหมธรรมชาติที่เห็นเราอ่าก็คือก็คื อ, คอ ถ, ถ, ถ้าถ้าถอยลงมา <c oughs> ก็จะเห็นนะครับว่าว่าว่ า, ว, าว่าเราไม่ได้เป็นผู้เป็นเนี่ยหมายถึงว่าผมไม่ได้เป็นผู้เป็นตรงนั้นแล้วอะ่ะ แล้วผมที่ไม่เป็นผู้เป็นเนี่ยผมคือตัวไหนผมไม่เห็นเลยครับเปน ผ, <ม S 2> ผู้เห็นเหรอ<ห> ก, ก็เห็นข้างนอกอะ่ะก็เห็นข้างนอกว่านเนี่ยเนี่ยก้คือคนเนี่ยก็แต่ไม่เป็นผู้เป็นเข้าไปข้างในเลยลองโกไหมลองเอาตามตัวอย่างที่เล่านะลองดูที่ว่าตัวผมคือตัวไหนนะอ่าตัวอย่างเอาเฉพาะน B, ายบพอนายเอตัดไปเลยนายบเนี่ยเมื่อจะไปฆ่านกเนี่ยบีบคอนกปรากฏว่ามันมีผู้เห็นผู้เห็นนายบี ว่านายบีเนี่ยฆ่านกแล้วถูกต้องอไหมอ่าแสดงว่าตัวนายบีทั้งตัวเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นแต่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่เห็นนายบีอ่ะมันมันไม่ใช่เราที่เรียกว่าไม่ใช่เราเพราะว่าก็เพิ่งก็เราเพิ่งมารู้จักมันเมื่อสักครู่เนี่ยว่าโอ้มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มารู้เรามันไม่ใช่เราอืตรงนี้เข้าใจไ ด, าได้ใช่ไหมอ่าครับเข้าใจได้ทีนี้เรามาเทียบเรื่องทุก ไอตัวที่ทุกเนี่ยตัวที่เกิดมาตัวที่แก่ตัวที่เจ็บตัวที่ตายนี่คือตัวไหนโยมว่าตามที่โยมเข้าใจไม่ไม่ไม่ถึงตัวตัวนบีอันนี้ออกคนนอกก่อนนะฮะตัวที่มันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยคือตัวตัวตัวที่เห็นนบีหรือตัวนายบีตัวที่เห็นในบีครับที่มันเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายไปในตัวไหนตัวตัวที่เห็นในบีแล้วในบีเนี่ยเกิดมาไหมนายบี นายบีเป็นผู้เกิดมาไหมนายบีเกิดมาแล้วยังยังครับเอานายบีเป็นคนข่านกอะมันเกิดเอาตามตัวอย่างนะเออไล่ไล่ทีละตอนเนาะนายบีมันเป็นตัวมีตนแล้วเนี่ยเอานกมาฆ่าเนี่ยนี่นายแสดงว่ามีนายบีแล้วใช่ปะออครับอ่าแสดงว่านายบีได้เกิดมาแล้วใช่ไหมครับครับอ่าเมื่อนายบีเกิดมาแล้วนายบีต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไหมตามความเป็นจริงนแน่นอนครับมัน ใช่เกิดเก็บเป็นตายโอเคแล้วไอ้ธรรมชาติที่รู้ในบีอ่ะที่มันเห็นว่าในบีเนี่ยจะฆ่านกอ่ะมันเป็นนบีไหมคนเนี้ยตามที่ยมเข้าใจไม่ได้เป็นครับอ่าแล้วมันมีลักษณะแบบไหนหน้าตามันมันมันปรากฏรูปร่างรูปพรรณสันฐานแบบไหนไหมมันก็ถ้ามองมันก็คือจิตอ่ะเออเอาเอาอันนั้นชื่อไว้ก่อนแต่ว่าลักษณะมันมีลักษณะแบบไหนไหมล่ะไอ้ผู้ที่เห็นในบีไม่มันก็เป็นพลังงานมันไม่ได้เป็น มันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนนะครับอ่าแล้วมันเป็นสิ่งที่ปรากฏได้ไหมรับรู้ได้ไหมว่ามันมีตัวมันเป็นสิ่งที่ปรากฏหมายความว่ารับรู้ทางตาทางหูทางจางมกูกทางเลี้ยทางกายได้ไหมว่ามันมีมันมันปรากฏขึ้นอืมก็ ก, ก็ก็รับรู้ได้ครับรับรู้ทางไหนได้รับรู้ทางไหนได้เอาเอาตาไปดูเห็นไหมทางทางความรู้สึกอะครับ ทางความรู้สึกนี้ใครรู้สึกก็เรารู้สึกใช่ไหมครับเออแต่มันรู้เราได้ไหมว่าเรารู้สึกมันรู้เราได้ไหมเออเวลาเรารู้สึกมันรู้เราได้ไหมว่าเรารู้สึกเรารู้สึกแบบเนี้เรารู้สึกแบบเนี้ยมันรู้เราได้ไหมเรามันรู้เราได้ไหมไม่ไม่ไม่ถึงไม่ไม่ถึงอะไรครับไม่ถึงเราตอนเนี้ยคุณก็กําลังงงเนี่ยนะคะคุณก็รู้ว่าคุณก็งงแล้วคุณแล้วมีบางสิ่งเนี่ยไปรู้ด้วยว่า คุณกู้อ่ะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณกู้งงเออเห็นไหมคะบางทีเร า, ร, เ ร, ารู้ว่าเราอ่ะรู้ว่าเราอะงงอยู่แล้วก็มันมีสิ่งอะไรบางอย่างธรรมชาติอะไรที่เราไม่สามารถที่จะอนั้นได้เนี่ยมาเห็นเราด้วยใชว่วอะเออไอเนี้ยก็ไม่รู้เห็นถึงแม้ความไม่รู้ของเราอ่ะอืมนี่แหละคะ่ะไอความสงสัยที่อยู่ <c oughs> บอกว่าจริง ๆ, ๆอ่ะ ไอความรู้สึกที่คุณโกบอกว่ามันคือเพราะคิดจึงทุกข์เนี่ไม่ใช่อ่ะวดกักไม่ต้องคิด ก, ก็ทุกได้ค่ะนะคะอือวดฏักไม่คิดก็ทุกได้ตอนไหนก็<อ>เจ็บก็เจ็บแต่ว่าแต่ว่าคุณโกอ่ะโดนตีแต่ถ้าเราไม่รู้สึกอ่ะสมมุติถ้าเกิดค่ะถ้าเกิดเราไม่รู้สึกเราก็คิดว่ามันเจ็บใช่ไหมละ่ะเราก็คือคืออย่างนี้ค่ะความความคิดเนี่ยมันไปเป็นเรื่องเกี่ยวกปรุงแต่ง อ น, uh uh. นการที่เราเจ็บเป็นที่ไม่กิดหนูว่าเอาไม้ฟาดศีรษะเนี่ยนะคะ uh uh. ยังไม่ได้คิดแล้วเพราะเราไม่ทราบว่าใครมาฟาดเราแต่มันเจ็บเจ็บได้เลยมัน uh uh. ทุกได้เลยนะตอนนั้นค่ะมันไม่ต้องคิดแต่คิดคือการนำมาคิดไม่ว่าจะนำมาคิดทั้งในอดีตหรืออนาคต uh uh. ค่ะล อ, ลองลองลองปรับตรงนี้ดูนะค ะ, uh uh. อะลองเอาไปมาเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ย uh uh. มันก็เกือบจะแนลละหลาแต่ว่า ลองลองไปสังเกตดูค่ะนะคะสังเกตตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมานั่งสมาธิก็ได้น้ําทํากับข้าวแป้งฟันได้หมดเลยค่ะอืมครับครับค่ะสาธุค่ะสาธุครับครับเพิ่มเพิ่มเติมของโยมค่ะกโกอีกักนิดนึงเนาะเอาภาคภาคของจริงเนี่ยตอนนี้โยมโยมยังนั่งหรือยืนหรือทําอะไรอยู่นะก็นอนก็นอนตะแคงเหมือนเดิมยังนอนเหมือนเดิมเนาะ แล้วโยมกระโดดที่กระโดดออกจากตัยงลุกขึ้นพรวดดูสิบึ๊กเดี๋ยวนี้เลยแล้วหลวงพ่อจะถามต่อว่ารู้ได้ไหมว่าโยมกระโดดแล้วก็รู้รู้ฮะเออก็รู้สึกแล้วเออเนี่ยก็ขยับทีนี้พอรู้แบบนี้โยมเข้าใจได้ไหมว่าไอตัวที่กระโดดเนี่ยคือตัวตัวโยมถูกปะ่ะออถูกใช่ค่ะ ทีนี้ธรรมชาติเนี่ยมันจริงๆธรรมชาติเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเนาะก็คือตัวโยมก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเขาเรียกว่าทั้งก้อนนี้แหละตัวที่กระโดดเนี่ยอันนี้ภาษาสมมติเขาเรียกว่าตัวโยมแต่ถ้าภาษารวม ๆ, ๆเขาเรียกว่าเรียกว่าขันห้าก็ได้เนาะกระโดดแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งไงธรรมชาติรู้อ่ะรู้ว่ายโยมกระโดดอ่าทีนี้ถ้าจะแยกๆด้วยปัญญาของโยมเนี่ยโยมว่าตัวผู้กระโดดกับตัวรู้เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันไหมอ่ะผู้กระโดด กระโดดกับตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้มันกระโดดได้ไหมตัวรู้ตัวรู้ตัวที่ทาหน้าที่รู้โยมกระโดดมันกระโดดได้ไหมไม่ได้ครับเออเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละตัวกันหรือตัวเดียวกันนะตัวผู้กระโดดกับตัวรู้คนละตัวครับอ่าคนละตัวเมื่อตัวกระโดดก็คือกระโดดได้แต่ตัวรู้มันมันกระโดดไม่ได้ถูกต้องไหมอ่ะเพราะมันคนละตัวอ่าใช่ครับอ่า ทีนี้พอหลวงพ่อพูดถึงว่าไอาตัวที่มันมีทุกข์น่ะทุกตัวมันเองก็คือตัวกระโดดนี่แหละตัวทุกข์ถูกต้องไหมตัวที่เกิดมาตัวที่แก่ตัวที่เจ็บตัวที่ตายเนี่ยทั้งทั้งชุด<อ>ทั้งพวงเนี่ยนะใช่แล้วไอตัวรู้อะ่ะมันเกิดแก่เจ็บตายได้ไหมอะ่ะไม่ไม่ได้ครับเออทําไมมันไม่ได้อะ่ะ ก, ก็เพราะมันมันเป็นเออเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็นจิตอะครับอืม มันเป็นดวงจิตอะอะตกลงมันมันไม่ไม่ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหรอดวงจิตอครับมันมันมันก็จะมันมันก็จะอยู่แบเป็นอย่างเงี้ยมันมันก็คือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรื่อทีนี้รู้รู้จักความพ้นทุกแล้วยังฮครู้จักขับรู้จักครับอะไรคือทุกอะไรคือพ้นจากทุกคน <c oughs> ถ้าในในในแง่ของผมหรือว่าในแง่ของอาจารย์ในแง่ของโยมก่อนเออของโยมก่อนก็ได้โยมเข้าใจว่ายังไงอ่าก็คือคนทุกข์ก็คือก็คือก็คือสิ่งที่เราอยู่กับปัจจุบันนะยังไงก็ผมก็ยังยังยังยังไม่ได้บอกผมอยู่กับปัจจุบันแล้วผมไม่ทุกข์อ่ะผมก็ผมไม่ได้คิดด้วยซ้ำผมไม่ทุก ผมไม่ทุกแต่เมื่อกี้มันมีสิ่งถุกเขาเรียกว่ามีตัวเราใช่ไหมคือตัวกระโดดแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีตัวรู้ใช่ไหมอ่าตัวกระโดดเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ตัวรู้โยมบอกว่างัยมันมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายไหมตัวรู้ไม่ไม่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเออแล้วมันเป็นตัวโยมไหมตัวรู้อ่ะมันตัวโยบเป็นโยมไหมตัวรู้เป็นโยมไหม อ๋อไม่ใช่ครับมันก็เป็นดวงจิตอ่ะเออเพราะนั้นเวลามันพ้นทุกเนี่ยเวลาการพ้นทุกจริจริงอ่ะมันโยมพ้นทุกหรืออะไรพ้นทุกอะ่ะ สิ่งนึงที่ผมผมก็รู้สึกว่าผมก็อยู่กับปัจจุบันตลอดถ้าผมรู้สึกตัวเนาะอืมเอาอางงี้เอาเป็นที่เหลือให้ทำการบ้านบ้างบางทีเราเฉลยหมดมันมันไม่มันไม่แก้ต้องไปสิ่งที่ได้คุยได้ฟังวันนี้มันอาจจะบางทีเนาะไปทำโน่ทนทำนี่มันอาจจ ะ, <ช>ะปิ้งก็ได้เนาะอ่า<ช>จะปิ้งขึ้นมาครับค่ะต้องบอกว่าคนเรานะคะสมก็จะรับรู้ถึงความ ดีไม่ดีความสุขความทุกข์ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นคำถามนะคะคจะเคยมีใครไหมที่เห็นถึงแหล่งที่มาของความรู้สึกนะคะน่าจะมีใครมองเห็นไปถึงต้นกำเนิดของความรู้สึกบ้างน ะ, ะเราอาจจะรับรู้แค่ตื้นๆ น, นะคะแค่ความรู้สึกของตัวเองหรือว่าความรู้สึกของผู้อื่นแต่เราเคยเอะใจถึงที่มาของความรู้สึกทั้งหมดบ้างไหมอก่อนที่เราจะรับรู้นะั้ถูกส่งมาจากที่ไหน ครับรู้ได้ยังไงแล้วทําไมสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกนะคอันนี้ก็มนุษย์มันต้องมีความรู้สึกอารมณ์อยู่แล้วสิมานั่นแหะสิค่ะถูกต้องอันนี้เป็นคําถามที่กระตุ้นกันถ้าเกิดหยุดค่ะผมแอบมองว่าอาถ้าคุณไม่รู้สึกถ้าคุณไม่รู้สึกอารมณ์คุณก็ตายสิถูกไหมถูกต้องค่ะอแน่นอนใช่ไหมมันมันต้องตายแล้วแต่ว่าสิ่งที่แล้วเมื่อกี้คาถามที่ที่ที่เปล่า อย่างที่คุณโก้บอกคะที่หนูนบอกว่าจริงๆเอ่ทุกอย่างมันรู้สึกค่ะนะคะ<ม>โกโรธก็รู้สึกโกโรธเจ็บก็รู้สึกเจ็บเออนะคะต้องแยกจากการคิดก็แยกจากการแต่ว่าอะไรล่ะที่มารู้เมื่อกี้หนูนีิถามคําถามว่าอะไรคือต้นกําเนิดนะคะใครจะมองเห็นต้นกําเนิดของความรู้สึกบ้างนะะมันก็ลองลองทวนคําถามดีๆนะคะต้นก็เหมือนความรู้สึก ใช่ค่ะก็อยวเอาไว้ตอบคราวหน้าก็ได้ค่ะไม่เป็นไรก็ม <c oughs> นุษย์มันเกิดมาก็ต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าอันนั้นเป็นความความคิดอ่ะไม่ใช่เพาะว่าคิดจริงจริงผมก็รู้สึกจริงจริงนะ<อ>ค่ะแต่แต่คิดเนี่ยผมผมก็รู้ว่าอันเนี้ยผมแยกออกว่าความคิดกับความรู้สึกเนี่ยผมแยกอปผมก็รู้ว่าอันไหนที่มันอันนี้คือความคิดเนาะอันนี้ เรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องปกติค่ะทุกอย่างมีความรู้สึกได้มันโน้มน้าดนะคะเราอาจจะรับรู้ที่บอกว่าเราเคยเอะใจถึงที่มาของความรู้สึกไหมล่ะคะอือคือคือความรู้สึกอ่ะมันมันมันก็คืออือไม่รู้จะรู้เปทำไมเนอะคือต้องควารู้สึกอะเออความรู้สึกอ่ะเออแล้วแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบัน ก็มีความสุขกัปัจจุบันถ้าคุณคุณอยู่กับปัจจุบันคุณคุณก็ไม่ได้พูดผิดคุณก็พูดถูกค่ะเหมือนกับคุณโมตานี้ผมว่าสมมตคุณคุณปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคุณรูกอยู่ปับคุนก็มีสติในการอาจจะยิ่งมีสถียรสติกักับคุณก็ยิ่งพูดให้ให้รู้สึกว่าเออมันมันเออมันเลี่ยงที่จะอ่าปะทะหรืออะไรหรือเปล่าหรืออะไรแงี้ยเนาแบบสมมุต อะไรเงี้ยส่วนมากคุยให้มันเป็นแบบอ ป, ปิยวะว่าจ่าอะไรก็ได้อะไรแม่ค่ะงั้นเปรียบเทียบ ง, ยง่ายๆค่ะอันุเรียบเชียบแค่ว่าณตอนนี้นะคะในห้องของเรามีทั้งหมดอยู่บนแพนเนาลนะคะทุกคนมีกแก้วน้ําใบหนึ่งนะคะมีน้ําเปล่านะคะเราเป็นน้ำเปล่าอย่างไงเราก็เป็นน้ำเปล่าแบบนั้นเราไม่ต้องไปเติมผงกาแฟเราไม่ต้องไปเติม เอาน้ำตาลไอลงไปแลมันก็จะคนยังไงมันก็เป็นน้าเปล่าแค่นี้พอแล้วค่ะมันใจก็คือไม่ได้แต่งแต้มเติมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะคุณก็ก็ตอนนี้ดีแล้วค่ะอยู่กับปัจจุบันนะคะปล่อยครากรที่เห็นความทุกข์เนี่ยอย่างที่คุณโกบอกแต่ว่าไม่มีผู้เสวยทุกข์เท่าแต่วคุณก็ยังไม่เห็นผู้ที่ไม่ไม่ไปเสวยทุกข์เนี่ยมันคืออะไรแค่นั้นเองนะคะ ก็ไม่เปไร่เขาใหม่เขาวนวนใหม่ครับหมถึงอะไรที่ไม่เสี่บทุกนะครับก็คุณโก้บอกว่าคุณโก้อยู่ใาปัจจุบันถูกไหมคะมันก็ไม่ทุกอ่าถูกไหมคะแต่ว่าคุณโก้ยังไม่เห็นเลยค่ะว่าใครล่ะเป็นผู้ท yes> ี่ไม่ท wow ุกใครล่ะเป็นที่ผู้ผู้ที่ไม่ทุกก็แล้วก็ไม่รู้สิก็ไม่รู้แต่แต่ผมก็ไม่ถูกแเลงผมผมก็คือถึงทุก ผก็ก็ก็เข้าใจเหมือนว่ามันมันมันก็คือมันก็อยู่กับเราไม่ได้นานก็ไปเพราะนั่นเองมันก็รู้สึกได้ว่าเออเนี่ยถ้าอยู่กับมัรู้สึกมันก็อยู่กับเราแล้วไงอ่ะเราไงก็อยู่กับเราแล้วมันก็มันก็หายไปมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดถูกต้องค่ะไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรตลอดการค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตลอดการค่ะเพียงแต่ว่าเออ่ต้องบอกว่าเราเนี่ย ไม่ใช่าวาเราเลยค่ะจริงๆเนี่ยรู้ว่ามีอยู่ค่ะแต่บอกไม่ได้ว่าที่ไหนนะะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีเดี๋ยวนี้เอาไปทิ้งไว้แค่นี้นะคะเผื่อท่านใดต้องการ<ด>คร่ะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราได้อาจจะได้สนทนาการอีกนะคะได้ได้ครับขอบคุณมากค่ะตุ๊กค่ะพ่อหนุ่ยหนุ่ยด้วยครับจริงจริงๆมันก็เสียดเช่นกันครับ ก็เฉียดไปเฉียดมาแล้วแหละเนาะทีนี้เราเอาอย่างนี้ไม่ได้ห้องเนี้ยคือห้องที่แบบว่าต่อยอดในทางปัญญาเนาะโยมคนไหนที่จะมาอธิบายเพราะบางทีมันไม่แน่ไงบางทีเรโยมหนุ่ยน้ยหรือหลวงพ่ออธิบายเนี่ยโยมโคก็อาจจะงงแต่พอคนอื่นพูดขึ้นมาอาจจะเก็ทขึ้นก็ได้นะมันเป็นเรื่องเนี่ยเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยเดิมเขาก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เมื่อเขาฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆมันก็เก็ตขึ้นมาเลยแล้วก็สามารถที่จะ อาจจะมาพูดแล้วก็ให้คนอื่นเข้าใจได้โดยการยกอุปมาอุปมา ย, ยกตัวอย่างอะไรต่างๆอันนะแล้วถ้าถ้าเข้าใจหนเดียวเนี่ยหมูมันพลิกชีวิตเลยนะมันแบบสุดยอดเลยทีนี้เดี๋ยว อ, อาสาอาส า, า, าใครจะใครจะมาช่วยกันเออโยมมาโนดโย ม, มอะไรใครก็ได้อ่ะลองดู ช, ช, ช่วยกันเชิญ น, นะคะคุณมาโนดคะ่ะพี่แดงคะ่ะคุณกฤษชยัยคุณนินสวัสดีคะ่ะคุณม่อนนะคะคุณโมเช่นะคะคุณสรพลคะ่ะยินดีนะคะที่เข้ามาคลับนะคะ แล้วก็คุณนรงธนพรนะคะคุณสัญชัยสวัสดีคะ mm ่ะแล้วเรียนเชิญนะคะแล้วก็คุยกันสบายๆนะคะไม่ได้อะไรแล้วก็เราเป็นแบบไหนแล้วก็เนี่ยค่ะพูดคุยกันนะคะ mm hmm. กลับมารช ก, การท่านประยุทธ์ด้วยค่ะคือเรื่องของเรื่องที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดบอดอยู่ที่ว่า <c oughs> อย่างเช่นโอเคเราใช้คาว่ารู้สึกตัวใช่ไหม คือมันรู้สึกตัวแหละแต่ว่ามันยังรู้ไม่รอบยังรู้ไม่หมดมันมีบางอย่างซึ่งยังยังไม่รู้ยังรู้ไม่ได้จนกว่ามีการชี้แนะชี้บอกหรือว่ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยอย่างบางทีนะเวลามีการถามตอบเนี่ยมันแน่นอนอนะ่ะเมื่อถูกถามมันก็ต้องคิดเพื่อจะเอาคําตอบให้ได้อะ่ะแต่เราไม่เห็นจุดที่มันเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดตั้งต้นอะ่ะจุดตั้งต้นก็คือจุดที่มันเริ่มคิดอะ่ะเราไม่เห็นตัวนี้ พอไม่เห็นตัวนี้ปั๊บมันก็คิดยาวพอคิดยาวเสร็จมันก็ยังไม่เห็นว่ากําลังคิดนี่เท่ากับว่ามันมันก็หลงไปแล้วไงหลงไปเพื่อที่จะคิดให้รู้แต่ความจริงอะถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมันจะรู้ที่ต้นทางของมันเลยพอเริ่มคิดปับ๊บอ่ะมันเห็นทันพอเห็นทันเนี่ยเท่ากับว่าได้ปฏิบัติแล้วแล้วก็พออยู่แป๊บๆเอามันจะคิดอีกก็เห็นทันอีกก็นี่เท่ากับปฏิบัติแล้วอ่ลองสังเกตตรงนี้อย่างเมื่อกี้ที่ถามไปถามมาถามไปถามมาเนี่ย มันก็ต้องตอบหมดแต่การตอบเนี่ยมันมันจะเอาคําตอบอ่ะมันจะส่งอ่ะแต่ไม่เห็นตัวเองที่กําลังพูดคิดเนี่ยเวียนหัวหมดแล้วคิดก็ไม่ออกแต่ถ้ารู้ตัวว่าเฮ้ยกําลังคิดเนี่ยมันจะง่ายมากเลยมันจะง่ายเลยเออมันจบเลยไงแต่ส่วนมากมันก็ก็หลงกันเป็นอย่างนี้แหละซึ่งทุกคนเป็นกันหมดหลวงพ่อยกตัวอย่างประกอบนะว่าสมัยก่อนหลวงพ่อฟังธรรมจากหลวงพ่อประโมทเนาะเราก็ฟังไปก็คิดไปแล้วหลวงพ่อบอกว่าเอ้าฟังไปเนี่ยคิดไปรู้ไหม เนื่องจกว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นมือใหม่มันไม่เคยเห็นความคิดมันไม่รู้จักความคิดแล้วก็แย้งหลวงพ่อหลวงพ่อบาโมดว่านี่หลวงพ่อว่าเราวังไปคิดไปคิดยังไงหลวงพ่อเราไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยนี่ขณะกําลังพูดอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่เห็นตัวเองเลยว่าตัวเองทั้งคิดทั้งพูดเนาะก็ยังไม่เห็นเพราะมัวแต่หาไอ้ของเก่าว่าเราคิดตรงไหนแต่เราไม่รู้จักตัวเราที่เป็นผู้หาตรงเนี้ย เพราะนั้นตรงนี้มันเป็นต้องอาศัยคนมาช่วยเท่านั้นแหะถึงจะรู้ให้มันแบบรู้สึกตัวก็เรียกว่าถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นอ่ะทีเนี้อย่างพวกเราลองฟังดูที่วิเคราฟังฟังในคนอื่นที่นั่งเงียบๆอ่ะฟังไปคิดไปทั้งหมดเลยหรืออาจจะใจลอยจนฟังไม่ได้ยินก็ได้ก็แล้วแต่ซึ่งมันมีสภาวะนั้นอยู่แต่ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเองว่าเออตัวเองเผลอไปคิดแล้วตัวเองกําลังคิดหรือตัวเองอะไรมันก็จะเห็นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวที่มันมันละเอียดมากขึ้นอย่าเงี้ย ก็ค่อยๆฟังไปนะเอ า, เอ า, เอ า, เอามาเชื่อแชร์หน่อยนะเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องความรู้ตัวคือรู้เราที่ผ่านมาหลวงพ่อย้ําบอกอยู่เรื่อยสมัยก่อนเนี่ยมีแต่เรารู้เรารู้ทุกเรื่องเลยเราก็คิดเก่งเราก็รู้เก่งแต่มันยังไม่รู้เราแล้วมีอุบายยังไงถึงให้กลับมารู้เราในปัจจุบันอา้าวเชิญนะครับคุณมานธรรมสถานครับหลวงพอ่อครับพอดีเมื่อบ่ายนี้ผมเพิ่งฟังตัวอย่างที่คุณนุ้ย เออสนนานากระหลงก็ออฟพอดีเลยอ่ะครับเรื่องที่คนเตะบอลสองคนในสามสี่ล่ะค่ ะ, คะอ่าคนเตะบอลสองคนเตะเตะบอลใช่ไหมเหมือนกับความคิดอ่าอันนึงก็เป็นความคิดด้านบวกอันหนึ่งเป็นความคิดด้านเราก็เตะบอลกันตระหลงบอลกันค่ะแล้วแต่นือแล้วเราก็เราก็นั่งบนอัศจรรย์เราก็เห็นว่า เนี่ยความคิดมันกำลังสู้กันอันนี้เขาเข้าใจว่าคุณคุณโกโก้คนคงจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับก็คือเห็นว่ามันกำลังคิดอยู่<อ>ใช่เห็นว่าความคิดมันกำลังทำงานอยู่ <_ S 2> โดยที่คุณ <_ S 1> โกโก้ ก, ก็เหมือนกับเป็นคนที่นั่งอยู่บนอัธจันท ร, รม์มองเขาเตะ บ, บอลในสนามบอลโดยที่เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับความคิด คุก็ก็น่าจะน่าจะได้ถึงระดับนี้แล้วถ้าถ้าถ้าผมเดานะครับไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคนคนเต็มเลยอะเก่งใช่ได้ค่ะคุยได้เลยค่ะคุก็คุยได้ค่ะ้็ผมก็รู้สึกอะครับจะบอกอะไรนั่นแหละค่ะเขาคิดว่าคุณก็ก็ต้องเห็นเห็นความคิดเห็นความคิดเองที่เกิดขึ้นแล้วก็บางทีก็ก็ไม่สนใจมันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ทีนี้ที่ที่หลวงพ่อท่าน ท่านท่านพูดคือใหม่ก็คือมันจะมีความรู้อกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับเห็นทั้งตัวเราที่นั่งอยู่บนรัธจันท์แล้วก็เห็นเห็นผู้เล่นที่เล่นบอลผู้เล่นบอลนะครับคุณหนุ่ยหนุ่ยอาจจะเล่าได้ดีกว่าผมครับครับฝากคุณหนุ่ยช่วอก็จะมีค่ะเหมือนกับว่าในสนามฟุตบอลเนี่ยนะคะเอเราไม่ต้องมาบอกว่า บวกหรือลบอะไรอย่างเงี้ยแหะค่ะนะก็เหมือนกับว่ามีผู้เล่นบอลอยู่สองสองสีแล้วกันนะสีแดงกับสีเขียวนะคะก็เดือบบอลกันอยู่นะแต่เราเนี่ยไม่ต้องไปลงเล่นกับนักฟุตบอลสีแดงกับสีเขียวนะคะเราก็ยืนอยู่บนอัฒจันทร์นะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะความรู้ความเป็นธรรมชาติเนี่ยอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็ไม่เห็นตัวเราที่ยืนอยู่บนอัฒจันทร์ตรงนี้นะคะคุณก็พอจาะ ลางๆไหมคะก็ก็ถึงผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นเป็นผู้เป็นไงผมว่็ผู้เห็นเน<ช>ี่ย <นะ S 1> ผมว่าผู้เห็นสองคนที่มันเตะบอลกันไงอ่าเข้าใจ อ, นนอันนี้ถึงบอกว่าเข้าใจคุณโก้ค่ะแต่แตว่าไอ้เรื่องแค่เรื่องความเจ็บหรบความคิดแต่ต้องต้องมันมันไม่จําเป็นค่ะว่าเราจะจะทุกมันต้องคิดมันไม่ต้องคิดค่ะเราทุกบางทีเราทุกได้เลยก็ทุกก็เลยก็มีเจ็บได้เลยค่ะเป็นความรู้สึกอ่ะมันไม่ต้องคิดค่ะครับ S <S ก็<ม>ลองดูค่ะเดี๋ยวทําอย่างเงี้ยค่ะเราเจออย่างเงี้ยบ่อยๆแต่คุณก็ดีแล้วค่ะคือตรงเนี้ยก็ทําปป่อยพอเห็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะดีแล้วแล้วก็เ อ, เ, อเอาเอาตรงเนี้ยมาใช้บ่อยๆเดี๋ยวก็จะชินค่ะอืมขอขอโทษนะครคุณก็ขอถามอีกนิดนิดได้ไดดครั บ, <ด>รบว่าว่าคุณก็รู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้เห็น อก็ก็เห็นไงเราเราก็เห็นแต่เราไม่ได้เป็นผู้เป็นเราเราเป็เป็นผู้เล่นไงคือเห็นว่าเราเราก็เป็นคือคือในแง่ที่เราก็เห็นนะใช่ไหมเราเห็นแต่เราเราไม่ได้ไปไปไปเป็นผู้เล่นด้วยเราก็ไม่ได้ไปเจ็บเขาด้วยไม่ไม่อะไรถ้าแต่จริงต้อบอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้เห็นนะคะแต่มีผู้เห็นเราต่างหากมีผู้เห็นเรามีผู้เห็นเราที่กําลังเห็นนะครับ <c oughs> ออมีผู้เรามีผู้เห็นเราที่กําลังเห็น <c oughs> ใช่ครับ่ะเออมันมันมันจะขึ้นไปอีกระดับอีกเด็ดเดียวเองนะครับว่ามีมีคนที่เห็นเรากําลังเห็นนะครับมันก็เคยสงสัยไหมล่ะคะว่าทําไมเอ้ยเราก็รู้ว่าเราไม่ต้องไปเป็นเราเห็นแล้วใครล่ะคะมาเห็นเราอืมเนี <c oughs> <c oughs> ่ยค่ะฝากไว้ตรงเนี้ค่ะอืมอืมค่ะเข้าใจ <c oughs> ครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจ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 ค่ะครับได้ครับเกรงใจครับเนี่โอ้ยไม่ต้องเกรงใจค่ะคนเป็นพวกเลยโอ้ยดีแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าคําถามก็หรือว่าเคสพวกนี้เป็นประโยชน์ค่ะนะคะเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นประโยชน์แต่ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเราต้องบอกว่าครับเฮาส์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องต้องพวกเราต้องไปเรียนหาครูบาอาจารย์ที่ไกลนะคะเดี๋วนี้ครับเฮาส์ว่ามีครูบาอาจารย์มาใกล้เรานะคะ เราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ยแล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นตัวอย่างหรือว่าอะไรจะเป็นเคสเนี่ยให้คู่อื่นเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นธรรมทานโดยที่ไม่คาดหวังค่ะน ะ, ะตรง น, นี้แหละค่ะยิง่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะไม่ เ, เสียเวลาเลยค่ะคุณโก้อธิโมทนาด้วยนะคะคโมทนาเช่นกันค ร, ครับครับ